<VIP S 2> เป็นได้อย่างไรอาตมาต้องเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างในปีแรกที่วัดของเรางานก่อสร้างชิ้นสําคัญชิ้นแรกคือบ่อบําบัดน้ําเสียของห้องส้วมหกห้อ ง, องและห้องอาบน้ำหกห้อ ง, อ, งอาตมาจึงต้องหาความรู้เรื่องงานประปา วิธีการเรียนรู้ของอาตมาคือการหอบแปลนไปร้านขายวัสดุอุปกรณ์การประปาการแปลนบนเคาน์เตอร์แล้วบอกเขาว่าช่วยด้วยเราต้องสั่งซื้อของเยอะฉะนั้นเฟร็ดคนขายที่เคาน์เตอร์จึงไม่อิดออดที่จะให้เวลากับอาตมา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 เจ้าหน้าที่อนามัยประจำเขตมาตรวจอย่างละเอียดและเราก็สอบผ่านทำให้อาตมาตื่นเต้นทีเดียวสองสันถัดมาเราก็ได้รับบินเรียกเก็บเงินค่าชิ้นส่วนงานประปาต่างๆอาตมาขอเช็คจากเฮระยิกวัดและส่งไปษสนียไปพร้อมจดหมายขอบคุณ โดยขอบคุณเฟร็ดเป็นพิเศษที่ได้ช่วยเราให้เริ่มการสร้างวัดของเราได้ดีในเวลานั้นอาตมาไม่ได้รู้ว่าบริษัทขายอุปกรณ์ประลาใหญ่ๆเช่นบริษัทนี้ซึ่งมีสาขามากมายรอบๆเมืองเพิรมีรแผนกบัญชีแยกต่างหากเมื่อสมเียนในแผนกบัญชีเปิดจดหมายของอาตมาอ่านเขาถึงกับอึ้งไปเลย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 มันเป็นหนทางที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่เฟร็ดก็ตอบครับท่านคุณทำงานได้ยอดเยี่ยมมากนะเฟร็ดครับท่านผมหวังว่าเราจะมีพนักงานอย่างคุณให้มากๆครับท่านตอนนี้เงินเดือนคุณเท่าไหร่นะเราอาจทำให้มันดีขึ้นครับท่านยอดเยี่ยมมากเฟร็ดขอบคุณครับท่าน หลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วประมาณสองสามชั่วโมงอาตมาได้เดินเข้าไปในร้านเพื่อจะขอเปลี่ยนอะไรชิ้นหนึ่งสำหรับงานอีกงานหนึ่งตอนนั้นมีช่างประปาร่างใหญ่ชาวออสซี่สองคนที่บ่ากว้างยังกับถังเซปติกยืนรอรับการบริการก่อนหน้าอาตมาแต่เฟร็ดก็มองเห็นอาตมาท่านพร้มเขาพูดพร้อมยิ้มกว้าง เชิญมาตั้งนี้อาตามาได้รับการบริการเยี่ยม VIP เขาพาอาตามาไปที่หลังร้านซึ่งไม่ใช่ที่ที่ลูกค้าจะเข้าไปได้เพื่อให้อาตามาเลือกชิ้นส่วนที่อาตามาต้องการผู้ร่วมงานของเฟลที่เคาน์เตอร์เล่าให้อาตามาฟังเรื่องโทรศัพท์สดๆร้อนๆจากกรรมการผู้จัดการ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 การยกย่องชมเชยก็ให้ผลดีด้านการเงินอีกด้วยนะ